การฆ่าตัวตายเป็นปานาติบาตหรือไม่ถามการฆ่าตัวตายถือเป็นปานาติบาตหรือเปล่าตอบการฆ่าตัวตายไม่ใช่ปานาติบาตแต่เป็นอัตตวินิบาต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 แตกต่างจากการทบต้นทบดอกของนีสินเงินทองมากถ้าคุณค่าคนมีบุญโอกาสสวยบุญของเขาที่ถูกตัดทิ้งยอมสะทอนกลับมาเป็นความหมดโอกาสสวยบุญของคุณเช่นกันคุณจะมีอายุมากในอัตภาพที่เป็นทุกข์แต่จะมีอายุสั้นในอัตภาพที่เป็นสุขและถ้าค่าตัวเองขณะต้องใช้บาป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 มีใบหน้าเศร้าหมองมีความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพจิตคิดมากและน้อยใจเก่งรู้สึกอ่อนแออยากตายด้วยเหตุบีบคั้นแค่ง่ายๆเป็นต้นการฆ่านั้นไม่ว่าฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าตนเองยอมได้ชื่อว่าทำจิตให้เศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองย่อมมีคติวิบัติเป็นที่หวัง แต่หากค่าตนเองโดยไม่มีจิตเศร้าหมองทำจิตให้ขาดจากอุปาทานว่าเป็นตัวตนอันนั้นพระพุทธเจ้าสนัเสริญการสิ้นชีวิตขณะไร้อุปาทานไม่ถือเป็นบาปเื้อยประการทั้งปวงที่ทำอย่างนั้นได้ก็มีแต่ผู้ศึกษาธรรมะจนเข้าใจและปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นแล้วเท่านั้นครับ